การที่เมื่อวานเราฝึกในเรื่องกายานุปัสนาทั้งหมดในส่วนใครจะฝึกได้กี่ระบบก็เป็นความสามารถของแต่ละคนคนที่ฝึกได้มากก็จะตื่นตัวได้มากคนที่ฝึกได้น้อยก็นิวร์จะเข้ามากนะก็คือตื่นตัวน้อยความเ ง, งาความนอนความเบือ่อความมีเกศก็จะมีพลังสูง คนที่ฝึกกายานุปัสนาได้ดีแก้ไขได้เร็วกำลังของ <c oughs> สติสัมยาก็มีมากขึ้นความตื่นตัวก็สูงขึ้นมันเป็นตัวปรับโดยธรรมชาติทั้งสองกระแสคนไหนที่ทำด้วยศรัทธาและความเพียรยังไม่เข้มแข็งก็อยู่ในกระแสขาลงความเบือ่อความขี้เกียจความงองเงาความคิด ก็จะมากเรียกว่ากระแสขาลงจิตก็จะอ่อนลงตามลําดับคนไหนที่คอยปรับอยู่เสมอตามที่ได้นําเสนอไป <c oughs> หลายแง่หลายมุมคนนั้นก็จะตื่นตัวได้ไวมีการปรับกระแสขาขึ้นความง่วงเหงาห้านอนก็จะมีน้อยหรือสั้นๆหายไปไวความเข้มแข็งก็ปรากฏมีสองกระแสเนี่ยกระแสขาลงเรียกว่า พิชากระแสขาขึ้นในว่าโทมนัสนะทีนี้ถ้าหากว่าขึ้นที่มันไม่หยุดยั้ยงมันก็ใช้ไม่ได้มันจะต้องมีปรับความพอดีทั้งกระแสขาขึ้นขาลงปรับความพอดีเรียกว่ามชิมาปฏิปทานะนั้นท่านถึงให้ละทั้งสองส่วนคืออ่อนเกินไปและแข็งเกินไปถ้าอ่อนเกินไป ก็เป็นติดสุขเวทนาถ้าเข้มแข็งเกินไปไปติดทุกเวทนาถ้าปรับให้พอดีเรียกว่าเป็นมัชิมาปฏิปทาจะเป็นอย่างนี้เสมอนะมีทางออกคือทางที่สาะ น, นั้นเองวันนี้เมื่อวานเสนอเรื่องกายานุปัสสนาสติปัฏฐานทั้งหระบบคงยังจำกันได้อยู่ได้อยู่เนาะอันนั้นคือตัวปรับกระแสให้มันพอดีทั้งสองส่วนทั้งขาขึ้นและขาลง นะทั้ง6ระบบนี้ในรายละเอียดค่อยไปศึกษาเพิ่มเติมเอาในช่วงเย็นก็อาจจะมีโปรเจคเตอร์ขึ้นกราฟิกสำหรับผลที่จดต่างระบบการที่ทำอะไรเป็นระบบระเบียบเนี่ยมันทำให้รวดเร็วขึ้นนะคนที่เข้มแข็งก็ชอบที่เป็นระบบระเบียบคนที่อ่อนแอก็ไม่ชอบความเป็นระบบระเบียบนะคนที่เข้มแข็งไปพัฒนารวมกัน ก็ปรับถ้าเข้มแข็งเกินไปก็จะนำไปสู่แข็งกล้าวเป็นประเทศมหาอำนาจประเภทที่อ่อนแอเกินไปรวมกันก็จะเป็นประเทศทด้อยพัฒนาประเภทประเทศประดิษฐ์การในโลกนี้ก็จะไปจากระบบการธรรมชาติของกายและจิตนี่เองมันก็จำลองไปจากกายจากจิตเราหมดแต่นั้นแต่ในประเทศที่มีความเข้มแข็งหมายความคนทีม่มีความเข้มแข็งอยู่มากแต่คนอ่อนแอ มีอัตราส่วนน้อยแต่มีทั้งเข้มแข็งอ่อนแอและอยู่ด้วยกันแต่ปรับอัตราส่วนให้เข้มแข็งให้มากไว้ก่อนพวกนี้ก็ชอบใช้สติปัญญาเป็นประชาธิปไตยนะแต่ประเทศที่อ่อนแอก็มีอัตราคนอ่อนแอมากคนเข้มแข็งน้อยพวก น, นี้ก็เอานักปกคร อ, องขึ้นมาเป็นเผด็จการก็จะปรับกันอยู่นี้โลกก็จะแบ่งเป็นสองค่ายให้ประชาธิปไตยค่ายเผด็จการค่ายเผด็จการก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่ง พวกทหารพวกคอมมิวนิสต์ของนี่นะพวกประชาธิปไตยก็เป็นเสรีประชาธิปไตยการ น, นาโดยทางตะวันตกทางตะวันออกที่เป็นค่ายเปรนเหการณ์ก็จะอยู่เงี้ยในที่สุดโลกที่เกิดสลายด้วยสองข่ายในลบ ก, กันแต่สองข่ายนี้จับมือกันให้เกิดมัชชีมาปฏิปทาโลกนี้ก็อยู่ได้แต่มันจะมีโอกาสไหมเท่านั้นเองนะดังนั้ น, น, นมันก็จําลองไปจากระบบเวทนาทั้งสาม สุขเวทนาทําให้พอดีมันก็จะทําให้คนเข้มแข็งทุกเวทนาทําให้ปรับให้พอดีก็จะทําให้คนเข้มแข็งแต่ถ้าสุขเวทนาที่เราไม่ปรับให้พอดีมันก็จะทําให้คนอ่อนแอทุกเวทนาไม่ปรับให้พอดีก็ทําให้คนแข็งกร้าวเพราะฉะนัะน้นเองอในตัวของเราก็มีทั้งสองกระแสเนี่ยกระแสสุขกระแสทุก ถ้าหากระแสสุขเราไปเสพก็ทำให้เราอ่อนแอถ้ากระแสทุกเราไปหนีเราไปต่อต้านเราไปต่อสู้มันก็ทำให้เราแข่งเกล้าเกินไปแต่ถ้าเรามีการปรับทั้งสองกระแสก็ด้วยกันแต่เพียงพอดีมันก็จะให้เกิดพลังงานเช่นเราจะทำาค่ายสุกใช้กระแสไฟอย่างเดียวไม่พอต้องใช้กระแสน้ำด้วย ใช้กระแสน้ําอย่างเดียวไม่พอข้าวก็ไม่สุกก็ใช้กระแสไฟด้วยเอากระแสน้ํากระแสไฟมาบวกกันข้าวก็สุกไดนะ้อันนี้คือหลักโดยธรรมชาติมันสอนเราอยู่ทุกวันแต่เนื่องจากว่าเราไม่มีวิปัสสนาเราจึงไม่สามารถจะเห็นระบบเหล่านี้เป็นธรรมชาติได้นะเพราะฉะนั้นพวกเมื่อไม่เข้าใจวิปัสสนาพวกค่ายที่ผด็จการก็ไม่เห็นด้วยกับ่ายประชาธิปไตย ผู้ค่ายประชาธิปไตยก็ไม่เห็นด้วยกับผูค่ายเผด็จการ mm hmm. ก็จะต้านกันไปต้านกันมาเพราะฉะนั้นคนที่อ่อนแอก็จะไม่ชอบคนที่เข้มแข็งที่มาบังคับครอบงําคนที่เข้มแข็งก็ไม่ชอบคนอ่อนแอเพราะว่าจะต้องเป็นภาระในการดูแลในกา ร, รบัคอรอง <c oughs> แต่ถ้าสคนทั้งสองฝนะ่ายมาแลกเปลี่ยนกันคนอ่อนแอก็ต้องเชื่อคนเข้มแข็ง คนเข้มแข็งก็มีความเมตตาต่อคนอ่อนแอฝึกปลือถ่ายทอดกําลังเสื่อกันอะไรกันคนที่เข้มแข็งก็ถ่ายทอดความเข้มแข็งให้คนอ่อนแอคนอ่อนแอก็ถ่ายทอดความอ่อนโยนให้กับคนเข้มแข็งคนอ่อนแอก็จะกลายเป็นคนอ่อนโยนคนเข้มแข็งคนแข็งกร้าวก็จะเป็นคนเข้มแข็งเพราะฉ น, นั้นเราก็มาปรับเวทนาทั้งสองตัวเวทนาจึงเป็นเรื่องสําคัญมากคนที่มีสติปัญญารองจากพุทธเจ้า พี่มีปัญญาสูงสุดรองจากพุทธเจ้าคือใครรู้จักไหมแจนละ่ะพระภาษาลิบุตรใช่ไหมรู้ไหมพระภาราิบุตรบรรลุธรรมเพราะฟังธรรมอะไรเรื่องเวทนานะขอเล่านิดหนึ่งความเป็นไปเป็นมาว่าภาษาริบุตรเดิมท่านชื่อชื่อว่าท่านอุปติสาตแลท่านมีเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อว่าท่านกุลิตาก็ เป็นคนที่แสวงหาธรรมะแสวงหาทางออกเพราะได้เห็นความแปรปรวนความเป็นไปความเลวเละเฟ่ฟอนของสังคมสมัยนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันชีวิตมันไร้ค่าเพราะนั้นถ้า่าไปตามระบบในการเสพมันชีวิตองจะอันนี้ก็เป็นคนฉลาดที่คิดได้ก่อนเขาก็หาทางออกแต่คนที่มไม่ฉลาดก็ตามกระแสไปเรื่อย เ, อยเสพไปเรื่อยโ ง, ง่ไปเรื่อย แต่คนที่ฉลาดก็จะเห็นว่าความที่มันเสพมันสนุกสนานะเป็นความอ่อนแอเขาก็ดีดตัวกลับออกมาเพราะว่ามันไม่ปลอดภัยเมื่อดีดตัวกลับมาเขาก็สแสวงหาว่าสำนักไหนครูอาจารย์สำนักไหนที่จะสามารถให้คำตอบเหล่านี้ได้เขาก็ไปสสแสวงหาคำตอบจนไปสำนักทุกสำนักทุกอาจารย์แล้วนี่มันก็ไม่พบคาตอบที่ถูกต้องว่าจะทำงานให้ เราทวนกระแสของความคิดทวนกระแสของความอยากได้ในที่สุดก็มาตกลงกับเพื่อนระหว่างอุปทิศากหรือเป่าเอางี้ไปคนละทางเริ่มไปหาสวงหขวาขูบาญาณที่สอนเราให้ให้เข้มแข็งขึ้นมาได้เนี่ยทุกวันให้เราก็อดไม่ได้ที่เราไปตามกระแสแต่หากว่าเราตามต่อไปชีวิตเราก็ไร้ค่าหาไปหามาก็าไม่ไม่เจอในที่สุดต้องกลับมาบ้านเดิมนีม่บ้านนาลันทคามวันหนึ่ง หลังจากที่พระพุทธเจ้าท่านตนันพรุทธเจ้าแตสรู้ใหม่ๆมีสาวกอยู่5ท่านใช่มรวมกับท่านด้วยก็เป็นหสาวกหท่านทุกคนจำได้เนาะชื่ออะไรนะนอันยากวดันยาว่าปปัิยะมหานมามะอจฉิตั้5ท่านใช่ชาวพุทธจำได้ดีทีนี้พอท่านประกาศหลังจากที่ได้ ฝึกฝนแล้วก็บอกวิธีการการเจริญสติเจริญสมถียปัญญาทําอย่างไรที่จะบาลานสมดุลท่านก็เอาเรื่องของธรรมเทศนาเรื่องธรรมจักรกระบวนท่สูตรพูดถึงเรื่องการสมดุลระหว่างการสุขัญทีการดูคือการอ่อนแอเกินไปใช่ไหมสมดุลอัตากิเลสมาฐานนโยที่แข็งเกร้าวเกินไปเนี่ยทำให้เกิดมชิมาปฏิปทาท่านก็ที่เราพูดกันมาเมื่อวานคือทําให้มันพอดีอ่ะ ทำให้อ่อนแอเดี๋ยวพอดีทำให้เข้มแข็งดพอดีมันก็เป็นความเข้มแข็งขึ้นมาเป็นมัชฌิมาปฏิปทาและให้ทุกคนลองทำดูประมาณสมเดือนนะสมเดือนก็ตอนแรกคนที่เข้าใจคนแรกก่อนที่พระพุทธเจ้าตรัถึงเรื่องนี้ ใ, ใครเข้าใจก่อนอัญญากทยะหัวหน้าฤาษีเนี่ยพอเข้าใจได้ว่าอมันสองกระแสมันกระแสเกิดกระแสดับใช่ไหมที่ท่านเข้าใจตอนแรก ฟังไปฟังมายังกินจีสมุยทยะธรรมังสัพพันตานิโรธธรรมังแอ๋อสิ่งใดสิ่งหนึง่งทุกอย่างมันมีการเกิดและการดับเนี่ยแต่เราไม่ไม่ทำให้การเกิดและการดับไม่พอดีการเกิดมากเกินไปก็่อนแอดับมากเกินไปก็แห้งกร้าวดังนั้นบาลานซ์ระหว่างกระแสเกิดกระแสดับก็ได้กันมันก็จะพอดีมันก็กลายมาเป็นขั้วไฟขั้วไฟนี้ก็มีสองกระแสใช่ไหมกระแสเกิดกับกระแสดับกระแสเกิดเรียกว่า โพสิทีฟหรือ negative ิเกตีฟแกแข็งบวกกับแกเสียลบอ่ะแกระแสียโรคคนจะเป็นบวกคนจะเป็นเกิดหรือเป็นดับแกเสะโลคคนจะเป็นกระแสบวกคนจะเป็นไปพิจะรณาดีแล้วกันนะเมื่อแกเสะโรคแกเสะบวกมาพอดีก <Bien venue>. ันบาลานซ์กันใช่ไหมก็ให้เกิดเป็นแสงสว่างแต่ากระแสะใดแกแสหนึ่งมากกว่าม่ใช่เกิดการช็อตหรือไฟ ไม่ออกใช่ไหมในที่ผสมดุลอันนี้เป็นหลักธรรมชาติมันมีอยู่แล้วอะ่ะแต่พุทธเจ้าค้นพบกฎสมดุลอันนี้ถ้าหากว่าไฟมากเกินไปก็อะชอ็อตถ้าไฟอ่อนเกินไปก็ไม่สว่างพอไฟเกิดกระแสเกิดกระแสในกร e ถิบโพลิโพเซติปโพพดีบวกลบพอดีปั๊บก็เกิดแสงสว่างอ๋อตัวเองพระ อ, อยากุณเห็ยา ก, ก็เลยได้เข้าใจก่อนอพอเข้าใจก่อนปั๊บก็ อีสีท่านยังไม่เข้าใจนะฟังธรรมะเดียวกันนะไม่เข้าใจงั้นท่าบอกให้ไปเก็บอารมณ์เข้มอีก3เดือนไปทําความเข้าใจต่อเก็บอารมณ์เข้มไปเจริญสติแบบเราทํำนี่นแหละทําอยู่3เดือนปรากฏว่าเดือนที่สท่านเอาเรื่องอีกเรื่องมาตรัสเรียกว่าอนัตตะลักขณสูตรใช่ไหมพอทั้งสีท่านฟังอนัตตะลักขณสูตรเข้าใจเหมือนกันหมดเลยพื้นฐานเดียวกันก็ได้สามารถทําลายทั้งกระแส เกิดกระแสดับอยู่เหนือกระแสทั้งสองแต่ใช้กระแสเกิดกระแสดับให้เป็นประโยชน์ในที่สุดก็ทุกคนเข้าใจละกระจายไปประกาศเรื่องนี้จะไปคนละทางนะเพราะเรามีน้อยคนไปคนละทางทีนั้นท่านสุดท้ายคือท่านอชาเชชีก็ไปทางบ้านนาลันทามนี่ยแหละคือไปบินทะบาตคือไปก็ใช้คือสมัยนั้นในการบินทบาทการขออาหารก็มีอยู่แล้วนักบวชในสมัยนั้นเราต้งเจ้าหน้าที่เยอะแยะ ทีนี้ผู้ทีเจ้าก็เจ้าชายชิตาที่บรรลุธรรมแล้วก็มาสอนเรื่องนี้ใหม่ก็ไปแบบเดียวกันก็เป็นนักบวชก็ไปบิณฑบาต ท, ทีนี้ท่านอุปติสระที่พระอา ช, ชีวชีในผ่านไปที่บ้านของท่านตามปกตินักบวชทั่วไปก็เดินทางบิณฑบาตอย่างเราเห็นนะตามตลาดตามอะไรต่างๆนี่นะแต่ว่าอั์นี้ไม่ได้เดินแบบ นักบวชทั่วไปเดินสงบเสงี่ยมแล้วก็ไม่ได้มองซ้ายมองขวาหาว่าใครจะใส่บาตรหรือไม่ใส่บาตรนะเดินสัมรวมนิ่งสงบเดินแล้วสวยเขาเดินมีสติไปตามถนนท่านก็ตามบุตรก็ใส่บาตรประจําที่เราเห็นเนี่ยก็เห็นนะเออองค์นี้แปลกเดินไม่เหมือนเพื่อนเดินสงบเสงี่ยมสัมรวมเดินนุ่มเดินสวยก็อยากเข้าไปถามว่าท่านมาจากวัดไหนอาจารย์สอนอะไรเนี่ย ที่นี่ก็เห็นว่าท่านบินธบัตอยู่คุ้ไม่เหมาะเขารู้อยู่ดูธรรมเนียมอยู่ก็ตามไปห่างๆกะว่าถ้าท่านไปอยู่ที่ใดนั่งฉันบินธบัต ท, ที่ใดถ้าชันสันจิตเล้จะเข้าไปถามไปทักถามก็พอพระอาจาชิมีคนใส่บาตรได้สองสมบัติพอชันท่านก็เข้าไปสุมถุมพุ่มไม้ลุ่มไม้ก็ทานพอทานเสร็จฉันเสร็จอุปติสสะก็เข้าไปถามว่า ท่านมาจากวัดไหนสำนักไหนใครเป็นครูบาอาจารย์ของท่านแล้วครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าอะไรสอนอย่างไรท่านสัปเป็นพระใหม่ก็เลยท่อมพูดลักษณะท่อมตัวว่าวาสุกฉันก็เพิ่งเป็นพระใหม่เหมือนกันนักบบทใหม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะตอบคําถามโดยละเียดทั้งหมดคงเป็นไปไม่ได้แต่ฉันจะตอบคําถามหลักๆตามที่อาจารย์ฉันสอนมาใช่ไหมท่อนก็กล่าวสั้นๆว่าเยธรรมาเหตุบาวาเตสั่งเฮ ต, ตุงตถาคต เดสัญจะโยนิโรโถจะเอวังวัธีมหาสมมโนอันนี้คือภาษาของท่านแปลว่าไรเยธรรมาเหตุปปวาสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งใดก็ตามเนี่ยมันมีเหตุมีเหตุเป็นที่เกิดมันไม่ได้ทุกอย่างไม่ได้เกิดเองมันมีเหตุเป็ที่ไปที่มาทุกอย่างแต่เราไม่รู้เหตุเราก็บอกว่าเทพบรรดาลพระเจ้าบรรดาลหรือเกิดจากฤทธเดชวิเศษวิโสทั้งหลายไม่มีไม่ได้ว่า เราไม่รู้เหตุเราก็ไปหมอว่าเป็นอำนาจดิเดตของสิ่งวิเศษแต่ถ้าเรารู้เหตุเราก็เข้าใจได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุเหมือนกันหมดแต่เราจะเข้าใจได้ไม่ได้เท่านั้นเองพระาศาสดาอาจารย์ของฉันสอนอย่างนี้เสมอแค่นี้เข้าใจเข้าใจคือได้ดวงใจเห็นธรรมไม่ใช่เบลุยังไม่ได้เบลุยธรรมนะก็เข้าใจอ๋อใช่แต่อาจารย์ของท่านอยู่ที่ไหนผมต้องการรายละเอียดเขาอยู่ที่อนุปยธรรมวันตามใบก็แล้วกัน อันก็เดินทางต่อทีนี้อุปติสสะถ้าจะไปคนเดียวก็นึกถึงเพื่อนว่าเจออาจฉาแล้วออคาตอบอย่างนี้น่าน่าสนใจก็ไปตามหาเพื่อนจนพบท่านกุลิตะก็พูดเรื่องนี้ให้ฟังว่าตัวเองไปพบพระรูปหนึ่งแล้วก็อาจารย์อยู่ที่อนุปยะอภวันซึ่งไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่เนี่ยก็พากันไปพบพอไปพบแล้วก็ปรากฏพระเจ้าก็แสดงธรรมเรื่องนี้ให้ฟังอีกครั้งหนึ่ง ทั้งสองท่านก็เลยเข้าใจนะแต่ว่าได้ดวงตาเห็นธรรมเท่านั้นเยังไม่ได้รู้ธรรมนะท่านพระโกริตะคือพระต่อมาเป็นพระโมคคลานะเนี่ยพอได้กรรมฐานแล้วบอกว่าขอปลีกวิเวกสักเจวันลองไปทำเรื่องนี้อยู่ไปนั่งทำความ้าใจด้วยตัวเองดูนะแต่ภาษาริบุตรนั้นชอบคุยชอบสนทนาชอบอในการที่จะทัก มากกว่าท่านเป็นคนฉลาดนะโดยพื้นฐานปาก้ลท่านโกริตะก็แยกตัวออกไปบีกวิเวกไปนั่งสมาธิสมัยนั้นก็อาจจะจ้ใช้อนาปานี่นะใช้ลมอย่าไม่ได้ใช้ยกมือสั่งจไหวยอย่างเรานั่งไปถึงวันที่6ปาโก้แลหนึ่งสสามสียหง่วงทุกวันง่วงแบบว่าไม่คือนั่งที่ไรง่วงที่นั่น ก็นั่งพิงเสานั่งพิงต้นไม้ก็ง่วงในที่สุดพุ้ที่เช่าก็เดินผ่านไปแอบมองๆดูโอ้เรา น, น, นก็ไปดูทุกวันแต่มันง่วงทั้งวันที่6เลยในที่สุดบอกว่าโนัง่งง่วงอย่างนี้ไม่ได้เข้าไปบอกบอกว่านี่ท่านง่วงอย่างนี้ทําไมไม่เอาไปหาอะไรมาทําหูทําด้ให้มันตื่นนั่งหลับอยู่ทําไมไปหาอดอกไม้ใบหญ้ามาปั่นหูเล่นมันก็ได้นี่อให้มันปลุกประสาทให้ตื่น ท่านก็ทําเป็นนั่งได้พักแต่พอพอบอกแล้วท่านก็อาจจะเดินออกไปเดินยโยกมือเล่นที่อื่นนะ น, นะกลับมาเอานั่งง่วงอีกแล้วก็มาปลุกเอา้าลุกไปลุลไปล้างหน้ามันยังง่วงอยู่ไปล้างหน้าเะ้ล้างหน้าสักพักก็มานั่งภาวนาต่อก็ง่วงอีกเอางั้นไปดูไกลๆเวลาภาวนาอย่าไปหลับตามองไปไกลดูต้นไม้ใบหญ้าพอดูไปสักพักหนึ่งไปไงก็ง่วงอีก เอาเงินลูกเนเดินเอาเัินบอกหลายอย่างจนอุบายที่สิบโอไม่ไหวแล้วเงินถือไปนอนก็แล้วกันแต่มีข้อแม้มีข้อแม้ว่าต้องนอนแต่นอนตะแคงแบบสีหายสยายญาติอ่ะเอาอัวนี้เป็นหมอ น, มอนแทนนุนก็นอนไปมีข้อแม้ว่าถ้าตื่นขึ้นให้ลุกขึ้นเลยนะอย่าไปหลับต่ออาจจะทํำมาหลายวันอุรา บ, บุนอนอย่างเงี้ยไปนอนได้ก็ไปนอนได้ สักพักหนึ่งปรากฏว่าเป็นไงพอพอขาดสติใช่ไหปั๊บหน้าสับปะงอกหน้าไปไงสับกับพื้นเปิกลงไปปรากฏว่าอาวิชาข้างในมันแตกระเบิดปึงเลยนะปรากฏสว่างว่าขึ้นมาทั่วหมดเลยตื่นโดยเต็มเนื้อเต็มตัวปรากฏ บ, บรรลุธรรมขณะนั้นขณะนี้นอนวันนี้วันนี้ใครอยากจรรู้บรรลุธรรมก็ลองลอ ง, ลองดู นอนตะแขคงข้างตรงนี้แข็งๆจะได้สับแรงๆนะหาแตกก็ดีแล้วพนะระโกฏว่าบุรุษธ ร, รในขณะใช้อุบายแก้ง่วงทั้งสิบอุบายนะหายละือีย่ไปหาดูเอากรในหนังสือแล้วกันปรากฏว่าหลังจากท่านบุรุษธรรมแล้วท่านก็เข้าใจระบบทั้งหมดเลยนะว่าอะไรเพราะว่ า, วาต่อมามีการโจดขานก็ว่าทําไมพระมหาโมคคลันต์ทำไมถึงง่วงหนักนหนาขนาดนั้น ทั้งหกวันง่วงตลอดแล้วพระพุทธเจ้าอุตส่าห์ไปแก้ก็ดังง่วงให้เห็นต่อหน้านั่นแหละทําไมถึงจะขนาดนั้นพุทธเจ้าท่านเป็นสมาสมพันธิ ญ, ญาณนะบรรลุอดีตแต่ละคนว่าเป็นยังไงบอกว่ามหาพุทธกล น, นั่นนี่เมื่อก่อนเคยบําเพ็ญตนเป็นมหาฤาษีมาหลายร้อยชาติเป็นหัวหน้าฤาษีมาตลอดนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นในการบําเพ็ญตบะบริวศีนั่นคือการสะกดจิตใช่ไหมแบบอาราละดับบทออกุทธากดับบทการสะกดจิตตัวเองให้นิ่งให้สงบได้ นานเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าออกมามันก็เหมือนเดิมฟุ้งซ่านคิดอะไรเหมือนเดิมถ้าไม่ไหวก็ไปนั่งสะกดจิตให้มันสงบทํอยางนี้ตลอดนะแล้วก็สมาธิเหล่านั้นที่ท่านทํามาเนี่ยเป็นการสะกดจิตมาโดยฝังกันมาหลายชาติเมื่อท่านมาทําแล้วสมาธิตัวก้อนเบืเริ่มที่ติดตามมาหลายชาติเนี่ยมันมาทับจิตเมื่อทับจิตจิตก็ไม่สามารถจะตื่นได้ก็น่วงตลอด ดันั้นคนใดที่ง่วงจะจัดให้คิดว่าตัวเองเคยเป็นฤๅษีมาก่อนก็นแล้วกันนะสมาธิลึกงมากนะไม่สามารถสลายได้เพราะฉะนั้นตัวสมาธินั่นเองเมื่อไปถึงจุดหนึ่งมันประทะในการพยายามจะแก้มันเกิดการระเบิดสมาธิที่เป็นก่อนนั้นโดยอํานาจของอวิชชามันก็ระเบิดขึ้นมาเป็นพลังของปัญญานะพลังของปัญญาสมาธิเกิดระเบิดเป็นพลังของปัญญาขึ้นมาก็ได้สว่างขึ้นมาปรากฏว่าท่านต่อมา โดยอำนาจของสมาธิที่สั่งสมมาหลายภพหลายชาติมันพอระเบิดออกแล้วมันก็เป็นพลังบวกกลายมาเป็นอภิญญาเป็นฤทธิ์ใช่ไหมเพราะนั้นมหาโมคคลาจะเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากในเวลาต่อมาเป็นผู้เลิ่ในทางฤทธิ์นั้นเวลาเจ้าละทิศที่ไหนหัวแข็งหรือไปสูงธนารธรรมเราไม่ยอมฟังก็ใช้ท่านมหาโมคคลานารย์จะไปใช้ฤทธิ์คือใช้ฤทธิ์ที่สูงกว่า สูงกวลือศีทั่วไปนะั่นดังนั้นก็สามารถที่จะเอาพวกชดินทั้งสามพี่น้องนะเข้ามาเป็นบริวารได้ในเวลาต่อมาพวกชดินก็ไปลือศีใช่ไหมส่วนท่านพระสาริบุตรเล่าทำอะไรหลังจากบวชแล้วหน้านนั้นเป็นหน้าร้อนก็ต่อมาลุงของท่านคนหนึ่งชื่อทีคานะคะาคาอคิเวสสนโคตเป็นเจ้ารัตทีอีกลัตทีหนึ่งแล้วก็มีคำสอนของท่านตางหา ก็ตามปกติท่านจะได้คู่หูคือท่านหลานท่านเนี่ยพระสาริบุตรนี่แหละคืออุปติษณะเนี่ยได้คุยธรรมะ ก, กันสนทนาธรรมแลกเปี่ยนกันเสมอแต่ว่าในช่วงนั้นท่านพระอุปติสาะหรือมุสารีบุตรในเวลาต่อมานี่ก็หายไปพักหนึ่งลุงก็ตามหาว่าหลานหายไปไหนตามสืบไปสืบมาว่าไปบวชกับพระพุทธเจ้าก็ตามไปในขณะไปพบนั้นก็ปรากฏว่าพระสาลิบุตรสนทนาธรรมอยู่ เมื่อมีแขกไปหาท่านก็ไปถวายงานพัดพุทธเจ้าหน้าร้อนเมื่อลุงเข้าไปที่คาาขะก็เข้าไปสนทนากับพระพุทธเจ้าไปถามว่าได้สืบทราบมาว่าหลานของข้าพเจ้าเนี่ยได้มาอยู่กับท่านตามปุติหลายคนนี้เป็นคนฉลาดมากเป็นคนที่สนทนาธรรมกับข้าพเจ้าเสมอแต่ท่านสอนท่านอย่างไรท่านสามารถเอาท่านมาเป็นลูกศิษย์ได้เนี่ยพุทธเจ้าก็รู้กขีดศับทีคานาขะมาว่างเป็นเจ้าละทีก็ถามว่าท่านก็ ได้สนดนาธรรมกับพระอาจารย์แล้วท่านสอนอย่างไรล่ะท่านสอนเขาว่าอย่างไรท่านจึงเขาจึงรับไม่ได้อ๋อผมเหรอสอนสิ่งใดถูกใจสิ่งนั้นถูกต้องสิ่งใดไม่ถูกต้องสิ่งนั้นก็ไม่ถูกใจอันนี้คือลทัทธิโดยโดยหัวใจมันนะเขาเรียกลัลทธิโลกาญาตหมายเขาว่าเอาตามกระแสของโลกอะ่ะว่าอ่ะไหนที่ถูกใจนั่นก็ถือว่าถูกต้องหมด ไนที่มันถูกแม้จะถูกต้องแต่มันไม่ถูกใจก็ถือว่าไม่ถูกต้องพระท่านสอนอยังไงพระเจ้าก็ย้อนถามพระุทธเจ้าอ๋อเราไม่ได้สอนแบบนั้นสิ่งใดถูกต้องอาจจะไม่ถูกใจสิ่งใดถูกใจอาจจะไม่ถูกต้องกลับก็เลยว่างั้นเถ อ, อะเอาทําไมเป็นอย่างนั้นพรพุทธเจ้าเลยตรัสเรื่องเวทนาว่าความถูกใจเป็นสุขเวทนาและเป็นทุกขเวท น, น, นาความสุขเป็น ความถูกใจเนี่ยรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นถูกเป็นทุกสิ่งใดถูกใจถึงนั้นก็ตอบสนองความต้องการของเราเใช่ไหมอะไรที่เราต้องการตอบสนองก็เรามีความสุขแต่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ตามที่เราตอบสนอ ง, ต, องต้องการทุกครั้งไหมไม่ได้ทุกครั้งบางครั้งมันไม่ตอบสนองเราก็เป็นไง <S <S เช่นเราไปสนุกสนานพอเราเสพสูงสนุกสนานกับเพื่อนกลับไปบ้านพ่อแม่หรือครูบาอาจารย์บอกเตือน ว่ามันไม่ดีไม่เราถูกใจไหมไม่ถูกใจแต่คําสอนของพ่อแม่ถูกต้องไหมถูกต้องแต่มันไม่ถูกใจเราอ่ะก็ถือว่าก็เราไปถือว่าพ่อแม่เราผิดใช่ไหมพ่อไม่ถูกใจเราเราก็มีลูกเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันไหมว่าสิ่งที่เราลูกที่ทําไปสนุกสนานเล่นเกมทั้งวันเล่นเฟซเล่นอ่าไลน์ทั้งวันเนี่ยโอ้มันหมกมุ่นพุ่นคลิกเสียเวลาแล้วก็เสียการเสียงานเสียการเรียนแล้วก็บอกม่าไม่ดี ลูกถูกใจไหมเมื่อเตือนอย่างนี้ไม่ถูกใจมันก็รังเกียจพ่อแม่และพ่อแม่ทำบอกมันไม่ถูกบอกว่าลัที่นิ่ไปเป็นเวทท่านบอกอันนี้คือเป็นเวทนาเพราะเราไปเสพสุขเวทนาเราไปสําคัญว่าเวทนาเนี่ยเป็นของเราเราก็ไปเสพแล้วก็เป็นความถูกต้องแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่ถูกต้องไม่มีอะไรเป็นที่จะถูกต้องไปหมดเพราะว่าทุกอย่างมันมีความไม่สมบูรณ์ในตัวมันที่ได้กล่าวไปก่อน ในความถูกต้องมันมีความไม่ถูกใจในความไม่ถูกใจมันมีความถูกต้องอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านสอนน่ะเป็นเรื่องของระดับเวทนามันไม่ใช่ปัญญาถ้าคุณเอาเวทนามาเป็นอารมณ์มาเป็นตัวตัดสินแล้วคุณก็ผิดสนทนากันไปสนทนเอาทีนี้ก็ย้อนเอาที่ถูกคนจะเป็นอย่างไงก็ย้อนถามพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเราสอนว่าในธรรมชาติของกายและจิตเนี่ย มันมีความไม่พอดีในตัวมันอยู่เพราะอะไรเพราะว่าเราขาดสติขาดปัญญาที่จะเข้าไปทาให้มันพอดีแต่ความจริงโดยธรรมชาติลึกๆมันพอดีของมันอยู่คือมันมีการเกิดและการดับสิ่งใดเกิดก็ดับหายใจเข้าก็หายใจออกมันก็อยู่ได้ถ้าหายใจเข้ายาวกว่าหายใจออกอยู่ได้ไห ม, ไมไหายใจยาวไปสักหนึ่งนาทีไม่ต้องออกหายไปเลยๆเป็นไง ไม่ได้ฉักได้เลยนะเอาหายใจออกสักสองนาทีไม่ต้องหายใจเข้ามันเกินพอดีไม่ใช่สองนาทีแค่อย่างละหนึ่งนาทีก็แย่แล้วนะหายใจเข้าแค่สามวิหายใจออกแค่หวิหายใจเข้ากับหายใจยาวนี่อันไหนสั้นอันไหนยาวกันหายใจเข้ากับหายใจออกอันไหนยาวอันไหนสั้นเคยสังเกตไหม ัไม่คำตอบไม่ใช่เดียวกันแล้วนะสังเกตดูหายใจเข้ากับหายใจยาวหายใจเข้ากับหายใจออกอันไห น, นยาวกาว่ากันหายใจออกยาวกว่าใช่ไหมหายใจเข้าทำไมถึงสั้นเพราะมันมจุกอยู่แค่นี้นะแต่หายใจออกมันไม่มีที่จำกัดมันก็ยาวกว่า <c oughs> ก็เช่นเดียวกันนะแต่จะทำให้มันเท่ากันได้ไหม ลองหายใจเท่าๆกันเนาหายใจเข้าหายใจออยาวก็ยาวเท่ากันสั้นก็สั้นเท่ากันถ้ายาวเท่ากันสั้นเท่ากันถือว่าพอดีนะแต่ถ้าหากว่ายาวไม่เท่ากันสั้นไม่กันถือว่าไม่พอดีตรงนั้นเองเป็นความขัดข้องเพราะฉะนั้นหายใจเยา ย, ย า, ยาออกก็ยาวๆวให้เท่ากันถ้าหายใจเข้า หลวงพ่อก็วัดดูว่าหายใจเข้าป ก, ปกติเนี่ยเท่าไรสองวิหายใจออกสมวินี่ก็ททำให้ได้สามวิเท่ากันโอ้สามวิยาวไปเอาสองวิในที่สุดดูไปดูมาได้แทบพอดีปกติเนี่ยสองวิครึ่งเข้าสองวิครึ่งออกสองวิครึ่ง แต่ถ้าหากว่าจะทําเพื่อสุขภาพให้เข้าสักห้าวิออกห้าวิหรือถึงหกวิก็ได้สุขภาพจะดีแต่ถ้าสั้นกว่าสองวิแล้วสุขภาพก็จะแย่เพราะอะไระการหมุนเวียนของเดินลมมันไม่ทันมันช้าเกินไปเพราะช้าเกินไปหมุนเวียนเร็วเกินไปก็ทําให้วงจรมันเร็วเกินไปทําให้เราเหนื่อยแล้วหอบแต่หายใจ ย, ยาวเนี่ย เราก็รู้สึกผ่อนคลายใช่ไหมหายใจยาวผ่อนคลายหายใจสั้นรู้สึกเหนื่อย อ, อันนี้สังเกตนะก็ในระบบอื่นก็เช่นเดียวกันอันนี้เอาเฉพาะลมหายใจเป็นตัวอย่างนะเพราะอะไรเพราะมันเป็นสูตรแรกเลยที่เอามาพูดกันใ น, นอาณาปณะสติการก้าวเดินจุกคมทุกวันนสังเกตไม่ว่าระหว่างาก้าวเท้าซ้ายกับขวาเนี่ยเท่ากันหมก้าวถอยหลังกับไปข้างหน้าเนี่ยก้าวเท่ากันไห สังเกตไม่เท่าช่วงเก้ข้างหน้าได้ได้สิเวลาถอยมันมันมากกว่ามันกลายเป็น13 1213ขึ้นไปนะไม่เท่ากันแต่ถ้าพยายามปรับเท่ากันมันต้องใช้อะไรสติใช่ไหมใช้สติถ้าโดยธรรมชาติที่ไม่ต้องใช้สติปัญญาอะไรเลยเนี่ยมันไม่เท่ากันหรอกนั้นเราก็สรุปเล้อ๋อถ้าไม่ใช้สติปัญญามันเท่ากันไม่ได้แต่พอใช้สติครับปควบคุมมันเท่ากันได้ความสมดุลก็เกิดขึ้นอ๋อพระเจ้าก็ตรัสถึงเรื่องว่า บางทีเราต้องการสุขมากกว่าทุกบางทีเราก็ไปติดในทุกขมากกว่าสุขนะไปเสพสุขเช่นเวลาไปเสพนั่งเล่นผ้าไฮโลเนี่ยนั่งได้ทั้งวันใช่ไหมเวลาไปทํางานไปไงสักพักก็อยากจะพักละเหนื่อยละไปนั่งเล่นไลน์นี่นั่งได้ทั้งวันแต่ไปนั่งพิมพ์งานนี่เปไงสักพักก็เหนื่อยแล้วอย่างเงี้เพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เท่ากัน แต่พอเรามาปรับ เ, เล่นลาย5นาทีก็ต้องทำงาน5นาทีตรงนี้นะถ้าจะปรับเท่าๆกันมันก็จะทำให้เกิดความสมดุลขึ้นมาท่านก็ยกตัวอย่างหลายๆอย่างธรรมชาติว่าถ้าหากว่าความสบายทางกายถ้ามันพอดีมันก็จะให้เกิดศีลคือจัดระเบียบอะไรให้สบายมันมาเป็นคำว่าศิละปะความพอใจแต่พอดีเนี่ยมันเป็นศิละปะ คนที่รักศิลปะรับความสวยความงามก็เป็นโลนลาค่าเจดิตใช่ไหมอาจารย์ผูลาค่าเจริชคือความมีความสุขความพอใจมากพอเอาไปปรับให้เป็นพอดีกลายเป็นศินละปะเพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนเป็นตัวศีลขึ้นมาสุขเวนาราคเป็นศิลป์เพราะมีความพอดีแต่ถ้าหากว่าเรารู้สึกเกินพอดีเช่นเรานั่งจะบม่บด้ไปไปมันเพลินความที่จะทําให้เกินบดีสัญญาณแรกคือความเพลิน นะก็เรียกว่านันทีพุทธเจ้าบอกว่าเอานันทีออกเสียเอาความเพลินออกเสียพอเอาความเพลินออกตัวสุขเวทนาก็จะพอดีคืออย่าเสบนั่งสร้างจังหวะไปรู้สึกเพลินก็เปลี่ยนซะรู้สึกสบายก็เปลี่ยนซะรู้สึกไม่สบายก็เปลี่ยนไปกับไปกับมาการที่เราพยายามขยับปรับเปลี่ยนนี่เองเราเรียกว่าความเพียรแต่ถ้าขยับปรับเปลี่ยนมากเกินไปเป็นความอะไรไม่ขยับปรับเปลี่ยนเลยเป็นความอะไร เป็นความเพียนไม่ใช่ความเพียนนะฮะถ้ามากเกินไปมันเป็นความเพียนถ้าพอดีเขาเรียกว่าความเพียนนะมันใกล้เคียงกันนะว่าถ้าคนเลยเพียนเยอะใช่มันเกินพอดีนะเวลาปฏิบัติกรรมฐานอ๋เราแคจะรู้ว่าคนไหนมันรู้สึกเพียนๆแล้วแสดงว่ามันทําไม่ถูกละหรือครูบาอาจารย์จะสอนดีขนาดไหนก็ตามถ้ามันทําเกินไปนะมันก็เพียนได้เหมือนกันนะแต่ว่ารู้สึกแล้วเออมันพอดีสายไหนก็ได้ถ้าพอดีเนี่ยมันก็ดีหมดอะ แต่ที่ว่าบอกสายนั่นดีสายนี้ไม่ดีไม่ใช่คุยไม่ใช่ครูบาอาจารย์สอนไม่ดีแต่เรามาทําเกินมันก็เลยว่าเราไปตำหนิว่าสายนะั้นมาทําให้เพี้ยนไม่ใช่วิธีการเคลื่อนไหวที่ว่าเพี้ยนกันเยอะเหมือนกันนะเพระรู้สึกทําแล้วสนุกลึกทําใหญ่เลยทีทั้งวันทั้งคืนนมาก็เคยเป็นมาแล้วแต่พอปรปับให้มันพอดีมันก็จะกลายเป็นความเป็นความสบายเนี่ยาถาตรงนี้ให้ดีนะความสบายกับความไม่สบายเนี่ย เป็นคนละอย่างหรื อ, อย่างเดียวกันเป็นคนละอันหรืออันเดียวกันสมมติเรานั่งเนี่ยสักตอนแรกรู้สึกสบายใช่ไหมนั่งไปนานๆรู้สึกถือว่าเป็นสิ่งตรงข้ามไหมไม่ใช่มันเป็นกฎของอะไรคอนติเนวิตี้ใช่ไหมกดของความต่อเนื่องถือกฎขอความต่อเนื่องต่อไปเรื่อยๆเป็นกฎของอันนี้จังใช่ไหมเพราะมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆ แตตัวนนิจจันั้นเพราะโดยธรรมชาติของมันเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นทุกขังคือความไม่ความสบายเปลี่ยนไปความไม่สบายโดยธรรมชาติอันิจจังก็เปลี่ยนเป็นทุกขังเสมอและทุกขังเราทนได้ไหมทุกถึงที่สเราทนได้ไหมโดยทุกขังมันก็แค่เปลี่ยนไปนันหน้าตาเราทนไม่ได้และควบคุมให้มันอยู่ตามต้องการไม่ได้ก็เป็นหน้าตาโดยธรรมชาติจึงเปลี่ยนเป็นโกดใจรักนะเป็นโกดใจรักทีนี้ทีฆาตขาก็ถามพระุทธเจ้าเมื่อมันเป็นโกดใจรักจะทำให้เป็น มันจะออกจากมันได้อย่างไรพระพุทธเจ้าก็บอกถ้าปรับสุขให้พอดีขณะที่มันจะความรู้สึกสบายก่อนที่มันจะเปลี่ยนเป็นความรู้สึกไม่สบายคุณต้องตามรู้มันตามรู้เอาแค่คุณทนได้ถ้าคุณทนได้ก็ปรับเสียอันนั้นคือความพอดีแต่คุณให้บรรจุความมีจนคุณทนไม่ได้ตรงนั้นคือเป็นทุกขังและอนัตตาละแต่คุณปรับให้พอดีแล้วคุณปรับเสียมันก็ปกติใช่ไหมเพราะด้ศีลอย่ง่ายปรามัติก็เรียกว่าปกติเพราะอนิจจังนั่นเอง ถ้าปรับให้พอดีอ น, นิจจังเปลี่ยนเป็นศีลเพราะอ น, นิจจังมันเปลี่ยนเป็นสุขเวทนากรใช่ไหมและสุขนาปรับสุขเวทนาโดยไม่เสพอจุขนาจะกลายเป็นศีลอ่าทีนี้โอเราจะขยันปรับอะไรขนาดนั้นใช่ไหมบางทีมันไวมากนั่งแค่นาทีสองนาทีก็ไปแล้วใช่ไหมแต่ในกรณี้ที่คนบางคนต้องการเห็นว่า เมื่อมันเปลี่ยนเป็นทุกข์แล้วทางกายนะเมื่อเปลนเป็นทุกข์ฉันไม่ทุกข์กับมันได้ไหมคือไม่ปล่อยให้ตัวสุขเวทนาฉันก็ไม่เสพเพราะมันเปลี่ยนเป็นทุกข์ฉันก็ไม่ทุกข์ตามแต่ทุกข์ทางกายแต่ทุกข์ทางกายนี่ทนได้ไหมทนได้ระดับหนึ่งสมมุติว่าร่างกายเนี่ยมันมีสกิรยาบทนได้อย่างมากถึงไม่เกิน3นาทีแต่ฉันจะนั่งดูสักหานาทีแต่ในส่วนอีกเศษไปสองนาทีเนี่ยถ้าเราตามรู้โดยที่ไม่ไปเสพนะเราตามรู้ รากฏว่าตัวนั้นเองมันจะกลายไปเป็นตัวตั้งใจตั้งใจที่จะดูตัวตั้งใจแปลว่าอะไรสมาธิใช่ไหมสมาธิเป็ความตั้งใจนั้นคือตัวทุกเวทนาเปลี่ยนเป็นสมาธิเพราะอะไรเพราะเราตามรู้มันแต่ถ้าเราไม่ตามรู้ทุกเวทนาทุกนาเปลี่ยนมาเป็นตัวอนัตตาแต่ถ้าหากว่าเราตั้งใจดูความตั้งใจที่เกิดจากที่เราดูทุกนั้นเองทุกเปลี่ยนมาเป็นทุกขังเปลี่ยนเป็น สมาธิอ่าทันไหมทันนะอันนี้หมายถึงการสุนทัณหาระหว่างพุทธเจ้ากทีคาสตาคานะเราไม่ได้มเมนะแต่แต่มันตีบทแตกว่ามันเป็นอย่างนี้นะเสร็จแล้วถ้าเป็นสมาธิตัวทุกขังเปลี่ยนเปเสเพราะเราตามรู้ความ ความสุขเวทนาแต่เราต้องการให้มันเกินไปแต่เกินเราก็ไม่ได้เสพแต่เกินอย่างรู้เนื้อรู้ตัวคือมันหนักมันแต่แต่รู้ความหนักไปเรื่อยๆแล้วก็ปรับเบาลงมาเราอาจจะไม่เปลี่ยนอิดีบุตเลยก็ได้นะเพียงแต่ขยับนิดเดียวใช่ไหมมันก็ออกไปละลักษณะขยับปรับเปลี่ยนความสบายไม่สบายได้พอดีบ่อยๆแทนที่มันจะควบคุมไม่ได้มันกลับเป็นเรื่องควบคุมได้ ควบควมุค ม, คมสุขก็ได้ควบคุมทุกข์ก็ได้ใช่ไหมเพียงแต่ปรับนิดหน่อยการทำสิ่งนี้อนัตตาไปว่าบังคับบัญชาไม่ได้ควบคุมไม่ได้ใช่ไหมแต่พอเราสามารถปรับสุขกับทุกให้เกิดการควบคุมได้ตัวนี้แทนที่จะเป็นอนัตตามันกลายมาเป็นปัญญาเริ่มเห็นเลยอยาว่าอนิจังทุกขังอนัตตาเปลี่ยนมาเป็นเวทนาทั้งสามอาจารย์ว่าไงปัญญา ตรงไหนทีปัญญาตรงที่ปรับสุกกระทุกข์กให้เกิดความพอดีปรับหรือว่าขั้บวนการปรับทั้งสองอย่างทั้งวิธีการและขั้บวนการแต่ด้วยเห็นจากความรู้สึกนะไม่ใช่ไปคิดเอานะอาจารย์นั่งตรงนี้รู้สึกหนักเลยใช่ไหมคิดว่าจะนั่งไปสักเท่าไหร่ที่มันจะทนไม่ได้ห้าวิหาวิไม่ใช่ห้าวิทีน้อยไปห้าวินะเอาหานาทีะนะในช่วงห้านาทีรู้สึกเต็มที่แล้วใช่ไหม อาเต็มที่โดยที่ไม่ต้องปรับไปอย่างอื่นเพียงปรับนิดเดียวนะขยับนิดเดียวเขนานั่งต่อปไปอีกสักได้อีกใช่ไหมไไอา ด, ด, ด, ด, ดีสักเจ็นาทีพอถึงเจ็ดนาทีถ้าจะพีคใช่ไหมขยับอีกนิดหนึ่งต่อไปต่อไปอี ก, อปอกเป็นสินาทีใช่ไหมขยับไปเรื่อยๆอย่างเนี้จากหนักเป็นเบาจากเบาเป็นหนักจิตของเราเป็นสมาธิตลอดใช่ไหมขนาะนั้นที่ปรับนิ่งไหมสมาธิก็ ทำให้เห็นอ๋อไอ้ตัวนี้เปลี่ยนเป็นตัวนี้เป็นมันเปลี่ยนไปเป็ี่ยนมาแต่ถ้าหากว่าเราไม่ใช้สมาธิไม่เป็นนะมันก็จะเปลี่ยนเป็นปัญญาไม่ได้ในขณะที่เราควบคุมเหตุปัจจัยของหนักเบาไปด้วยขยายเวลาไปเรื่อยๆนี่เองตัวนี้มันเป็นธรรมมันเป็นธรรมแทนที่จะเป็นอนัตตาเป็นธรรมมาตัวธรรมก็เป็นตัวปัญญาตัวปัญญาพ่อรู้ขบวนการว่าเอาตัวนี้ไม่เปลี่ยนเป็นตัวนี้การเห็นการเปลี่ยนแปลงของสังขารการรอบรู้ในของสังขาร เรียกว่าปัญญาใช่ไหมอ่าสังขารในเทนคือระหว่างการทํางานของรู้สึกสุขกับทุกข์ทุกข์เปลี่ยนเป็นสุขสุขเปลี่ยนเป็นทุกข์แล้วขยายอายุของสุขได้ยังไงขยายอายุของทุกข์ได้ยังไงเป็นสมาธิใช่ไหมเราเห็นการขยายขบวนการทั้งหมดเป็นปัญญาดังนั้นเราจะสรุปได้ไหมว่าอันิจ้ังคือเปลี่ยนเป็นศีลทุกขังเปลี่ยนเป็นสมาธิอนาตตาเปลี่ยนเป็นปัญญาสุขเวนนาเปลี่ยนเป็นศีลทุกขเวนนาเปลี่ยนเป็นสมาธิอทุกรมสุขเวนนาเปลี่ยนเป็นปัญญา ใช่ไหมพอสนทนาจบอย่างนี้ปรากฏว่าคนข้างหน้าทีคานาคะอาคิเวได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระสุดาบันแต่คนข้างหลังซาตูรีเลยบรรลุ completely enlightenment พระสารีบุตรบรบรลุธรรมเป็นพระหันรเรียบร้อยแล้วโดยที่ไม่ต้องทำความเพียรเลยนะฟังแค่นี้แหละโอ้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากจากนั้นต่อมาปรากฏว่าทั้งสองท่าน ในช่วงที่ท่านแสวงหาครูบาอาจารย์ก็มีลูกศิษย์ลูกหาหรือว่ามีเพื่อนมาร่วมแสวงหาด้วยกันข้างละ250คนภาษาลิบุตรก็มี250โบคาณกักมี250พอทั้งสองท่านได้บรรลุธรรมเง น, นแล้วก็ไปนึกถึงเพื่อนทีเนี้ยก็ไปพาเพื่อนมามาพบผุ้ดีชาก็ได้แสดงธรรมได้ทําความเข้าใจอย่างที่เราทําความได้บรรลุธรรมอีกเป็น500คนพวกเราบรรลุเะไรยั ง, ยงเหมือนเดิม เพราะว่าไม่ได้สั่งสมเหตุปัจจัยมาก่อนนะเราเห็นปัจจัยมาก่อนถึงว่าจะแต่ต้องไปทําไงบ่อยๆใช่ไหมไปพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆไม่เกินเจปีเธอก็เป็นไงบรรลุทําแต่ด้วยคนตั้งใจอย่างจริงจังแต่พอดีนะถ้าไปทํามากไปไงเดี๋ยวเพียนน่ะนะตั้งใจแต่พอดททีทุกวันทุกวันทําเนี้ยท่านบอกว่าไม่เกินหนึ่งวันถึงเกสวันไม่เกิน30สไม่เกินสเดือน ความทุกข์ก็จะลดลงรดลงแล้วไม่เกินสามปีเราก็สัมผัสได้ว่าความทุกข์แทบจะไม่เหลือตัดสินกันที่ทุกข์หรือไม่ทุกข์ทุกข์ในที่ไม่ทุกข์กายในทุกข์ใจนะทางด้านจิตใจกายเนี่ยมันเป็นทุกข์ของมันโดยธรรมชาติทั้นนั้นความทุกข์ของกายเนี่ยเราปรับแค่ไหนก็เอาออกโดยเด็ดขาดไม่ได้เพราะมันเป็นเป็นตามกฎของอะไรไตรลักษณ์ใช่ไหมเออมันมั น, มน ต้องเป็นอย่างนั้นตลอดแต่การรู้จักปรับจะแก้นี้เองมันไปแก้ทุกในท่านไม่ให้เกิดทุกในท่านจิตใจได้ดังนั้นเองก็เลยว่าเอ๊ะทั้งสองท่านนี้ก็เลยมาเป็นกําลังหลักให้กับพระพุทธเจ้าในการเผยแผ่ในเวลาต่อมาธรรมเทศนาการนี้จึงได้ชื่อหมายว่าเวทนาปริฆ า, าสูตรทําให้พระสาฏิบุตรได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เพียงสูตรเดียวนะ แล้วต่อมาก็เมื่อมีการขยายออกไปเรื่อยๆพระมหาโมคคละณะก็ไปปลดช่วยพุทธเจ้าปลดเอชินพ่อชินทั้งสามพี่น้องอ่ะก็ได้มาเท่าไหร่อีกพันรูปใช่ไหมพันสองร้อยห้าสิบรูปก็มาทำเรื่องของวันอาสาหบาูชา ด้านั้นเองเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องเรื่องลับแต่ทําไมเรายังทําไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าพื้นฐานของเราเนี่ยมันยังไม่เคยถูกสั่งสมมาก่อนมันก็ดูเป็นเรื่องยากดังนั้นสองท่านทําไมไวเพราะท่านแสวงหาเรื่องนี้มานานแล้วใช่ไหมแต่ว่ายังไม่พบคําตอบที่แท้จริงเท่านั้นเองพราะพบคําตอบที่ชัดเจนป๊บมันก็ขน ข, ขวายทําตลอดนะ แล้วก็เห็นว่าอ้เราจริงๆชีวิตของเราเนี่ยมันสุกเกินไปมันก็ไม่ดีทุกเกินไปมันก็ไม่ดีแต่ว่าหน้าที่ของเราจะทําปรับสุขปรับทุกให้มันพอดีได้อย่างไรตัวนั้นจะเป็นปัญญาอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่าปรับกระแสนในกปประดิโพกับโพสิทธิโพให้พอดีมันก็จะกลายมาเป็นแสงสว่างถ้าโคดายโคหนึ่งเกินปับ๊บมันก็จะกลายเป็นความมืดเหมือนการท่าสุกเวนนาทุกเวนนาปรับให้พอดีปับมันเกิดดวงปัญญาและดวงปัญญาทีนี้ก็จะทําให้เรามองเห็นความเป็นไปของธรรมชาติทั้งหมดทั้งจักรวาล อ๋อมันมีแค่2อย่างแค่เด่นเกิดกับดับมีกลางวันกลางคืนมีบุญมีบาปมีนรกสวรรค์ใช่ไหมมีสังสารวัตมีนิพพานก็มีแค่2อย่างแต่มันพัฒนาไปตามกระแสเรียกว่าโลกของความเป็นคู่แต่ถ้าหากเราอยู่ในโลกของความเป็นคู่ความเป็นคู่นี่ใช้คําว่าอะไรเมตุนะใช่ไหมเมตุนะแปลว่าคู่เมตุนธรรมเราไม่เรียกว่าเราไปเสพสิ่งที่เป็นคู่เราเสพเมตุนแต่ส่วนใหญ่เราไปนึกถึงเพศตรงกันข้ามหมดใช่ไหม ไม่ใช่เขาว่าเราไปเสพความสุขที่มันเกิดขึ้นแต่ละขณะดแล้วก็เสพไม่ถูดละ่ะเราไปเสพความทุกข์ที่เกิดขึ้นแต่ละขณะเสพความทุกข์เช่นว่าบางคนติดทุกขเวทนาไปฉันข้าวเนี่ยถ้ารสไม่จัดกินไม่ได้ต้องเผ็ดต้องเค็มต้องเปรี้ยวถึงจะอร่อยใช่ไหมถ้าไม่เค็มไม่บางคนเขาชอบรสธรรมดาไม่เผ็ดไม่เค็มไม่เปรี้ยวคนก็มีสองประเภทพวกเราก็มีใช่มพวกเอา บางคนทานทีน้ําพริกแล้วน้ำพริกไม่เผ็ดข อ, อพริกหน่อยอน้ำปลาหน่อยนั่นเดีก็นเนี่ยคือสิ่งปรุงแต่งคือสิ่งที่เกินแล้วก็ปรุงแต่งรดแล้วในลักษณะปรุงแต่งม า, มากๆส่วนเกินก็ทําให้ร่างกายเราเป็นไงน้ําหนักก็เกินใช่ไหมก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆแหละเพราะนั้นอันนี้มันก็มีส่วนที่เป็นรูปธรรมออกมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องการเซเรนเดอร์ทําไงวิก็ตัดส่วนที่เกินออกมันก็จะพอดีแต่เราเราต้องการมันไหม แล้วก็เสพติดสุขเวทนาเราถึงต้องการอยากจะเป็นแต่ก็เป็นไม่ได้ก็มีดรที่พูดถึงเมื่อวานน่ะท่านน้าหนักอ้วนขึ้นเลยมาบวชพรษาเดี๋ยวน้ําหนักลดลงตอนนี้ทําท่าจะอยู่ต่อแต่ดร น, นิวอยู่ต่อ น, นี่ได้คนที่เผยแพร่ขึ้นมาอีกคนตอนนี้ไปอยู่ที่เชียงใหม่น ะ, ะรายงานมาเมื่อวานเอ้พวกมอยากจะอยู่ต่ออีกหเดือนนะหลวงพ่อเพราะที่ภรรษาที่แล้วมาพาไปติวเข้มที่ห้วยส่วนนะก็เลยว่าเรื่องนี้นมันเข้าใจได้นะมันไม่ใช่เรื่องซับซ้อน แต่คุณต้องการมันไหมถ้าคุณไม่ต้องการแสดงว่าคุณได้ไม่มีไม่มีพื้นฐานมาก่อนและวิบากกรรมเยอะเกินไปมันก็เลยทําให้เราไม่มีกําลังที่จะสู้เราก็ต้องต้องทุกข์อ่ะใช่ไหมสมควรแล้วที่จะทุกข์สมควรแล้วที่จะป่วยแต่ถ้าหากเราฮึดขึ้นมาฮึดสู้ขึ้นมาใช่ไหมพัฒนาตัวเองขึ้นมาโอ้เรื่องนี้มันทําได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับนะปรับได้ เรื่องนี้เรื่องเป็นเรื่องทาทายมากอย่าจะมาหลวงพอ่อต้องศึกษาเรื่องนี้ดูน้ำหนักนี่นะห้าสิบนี่นไหมเคยไม่เคยเกินบวกลบสองช่วงไหนอยู่ดีๆก็ห้าิบสช่วงไหนทํางานหนักหนักก็สีบแปแต่พอดีอย่างเงี้ยห้ิบตลอดเลยเหยียบช่างมาเลยก็เป๊ะห้าเพราะว่ามันเข้าสู่ระบบของมันแล้วเราไม่ได้พยายามแล้วตอนนั้นมันก็สู่ระบบกินอย่างนี้นอนอย่างนี้ทําอย่างนี้เสมอเนี่ยนะมันก็ทําให้เราสเสถียรแล้วต่อไปเราก็ ทำไมอายุล้วก็แม่อายุ80กว100ก็ทำงานได้อยู่ใช่ั้มสมัยนั้นปรากฏว่าสาวกสมัยนั้นอายุยืนที่สุดถึง180พระมหากรสปะใช่ไหมอัญญากรุณาเนี่ ย, ย160พระอนุเนีย120นะนางวิสาขา น, น120แล้วท่านเหล่านี้ก็ยังทำงานได้ปกติอยู่นะไม่ใช่80ก็10ก็งองก็แย่งเหมือนเรานะแต่ท่านก็ยังสดชื่นแจ่มใสทำงานได้ เพราะนั้นคนยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าเข้าถึงทฤษฎีของเวทนาแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนดี a ทางจิตวิญญาณใหม่เลยนะคือใจได้ใจใหม่เ่คือเปลี่ยนชีวิตใหม่ได้แต่เพียงว่าเราต้องการจะศึกษาอย่างจริงจังไหมนะศึกษ า, าจรงิงจงเราก็ต้องมีอะไรหนึ่งขันติความอดทนขันติประมังโตปิยมหีหนังสือนะทีละส่วน วัดก่อนนะขันติปรมังตโปติฏฐิขาขันติคือต้องใช้ความอดกลั้นในการจะพิสูจน์อะไรเนี่ยคุณจะเอารตามใจไม่ได้ว่าหนึ่งใช้ขันติชนิดที่แก้ไขปัญหาได้สองขันติปรมังตะโปติฏฐิขาสองอย่าเบียนเบียนตัวเองด้วยทุกเคยทนาบางคนเบียนเบียนตัวเองใช่ไหมทำร้ายตัวเองได้กินมากๆนอนมากๆทําอะไรมากๆากเขาเรียกว่าพวกอะไรพวกสาดิทใช่ไหมพวกนี้ก็นิยมความรุนแรงนะ ทำอะไรต้องทําให้มันถึงใจสายใจมันต้องให้สนุกสนานให้ถึงใจมันก็เป็นประเภทที่ทําเบียดเบียนตัวเองแล้วก็เบียดเบียนคนอื่นนะอันที่3อันที่สต้องรู้จักประมาณในการเสพท่านใช้มัตรยุตาจ้าพระตรสัสรูนะ้ในในอวัตถของพระเจ้าต้องรู้จักประมาณในการเสพ อ, อันที่ 5, ห้ให อยู่ในความชอบอยู่ที่เงียบสงบบ้างอย่าไปสนุกสนานมากเกินไปบางครั้งอยู่กับตัวเองบ้างอย่ามีแต่เพื่อนแต่๋ยฟุ้งคุยไลน์คุยเฟซคุยส่วนตัวกันเป็นประจำทิ้งมันบ้างรู้สึกทิ้งโดยสัมมาสอสวันค์ไปคิดถึงมันไหมเห็นไ้ไ <S <S ก็สบายใจใช่ไหมไม่ต้องอยุ่งอะไรเนะี่ยบางครั้งก็อยู่โดยอิโซเลตตัวเองออกมาจากสังคมนั้นบ้างนะคือแยกตัวออกมาวันนี้ขอเก็บอารมณ์สักวันนึงกับปิดห้องใช่ไหมนั่งสร้างจังหวะเดินเจ้าคมอยู่ในห้องทําได้ไหม ได้มีโยมคนหนึ่งที่รัสเวกัตแกเข้ามารับปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่แรกที่มาไปอเมริกาแกทำพุโทโรมาก่อนหกเจ็ดปีละแต่ว่ามันไปติดแค่ฌานแค่ความสงบไปต่อไม่ได้พอไปพูดถึงเรื่องการตื่นตัวการเคลื่อนไหวนี่แกสนใจมาปฏิบัติแกทำงานคาสิโนเมื่อก่อนนะเป็นหัวหน้าฝ่ายคุกในคาสิโนเป็นแอดไวเซอร์เนี่ย ก็ปรากฏว่ามาสนใจนี้ก็ตั้งใจทําจริงจังเจริญสติแบบเคลื่อนไหวทําจริงจังวันไหนแกแก็ทําในคาสิโนนานๆแล้วปรากฏมันกินบุหรี่เนาะคนบุหรี่เยอะแกก็เป็นเหื่หอบหืดในที่สุดแกมาเจริญสติแบบนั้นโอ้ชีวิตมันมีค่ามากเราจะมาเสียสุขภาพเสียแต่สิ่งเหล่านี้มันคงชีวิตคงไม่มีค่าสิ่งสัญญาณแรกที่สุดเราเข้าใจธรรมะเราจะเห็นคุณค่าของชีวิตเราจะไม่เอาความสุขความทุกข์มาทําลายชีวิต เราจะไม่อาการเสพสุกเสพทุกข์มาทำลายชีวิตเราจะเริ่มเห็นคุณค่าของชีวิตแล้วก็ค่อยหลังจากนั้นมาเวลาวันในคาสินโนนี่เขาไม่ได้ปิดเสาร์อาทิตย์นะเขาปิดวันอะไรเสาร์อาทิตย์เป็นวันวันทำเงินของเขาอะ่ะใช่ไหมเขาก็จะปิดวันจันทร์นักขัณพราะจันทร์นังคารพูดเวลาปิดสโลว์เนี่ยเขาก็เก็บอารมณ์สร้างจังหวะเดินจงกรมในที่สุดเมื่อเห็นว่าทำไปแล้วยังอยู่ที่นั่นแล้ว โรคอาการหอบหืดมันไม่ลดลงแกก็ลาออกเลยทั้งๆที่แกมีเบนฟิตที่จะได้จากกา ร, กรเกษียณเนี่ยหลายร้อยหลายพันเหรียญ น, นะก็ยอมบ อ, อกโดยที่ไม่เอาเลยไม่บริเวณเห็นแกชีวิตก็เดินทางมาเมืองไทยมาพามาพามาปฏิบัติที่เมืองไทยระยะหนึง่งกลับไปก็ไปทําต่อแกก็ได้ทําเต็มที่จนถึงณปัจจุบันนี้ในช่วงไหนที่มาไม่ไม่ยังไม่กลับไปเขาต้องการปฏิบัติญาโยอมตามรัฐต่างๆก็มาขอให้แกไปสอน ไปเปิดอรมให้จัดลุทีกันสามคน5้าคนเจคนแปคนเนี่ยให้แกไปสอนแกก็เป็นตัวแทนที่ ท, ที่และสเวกัดได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าลำบากาดไหนถ้าตั้งใจและเข้าใจอย่างจริงจังไม่มีใครหรอกไม่รู้ไม่มีใครหรอกที่ไม่สามารถบรรลุทำบรรลุทำได้ทุกคนประการสําคัญจะเอาจริงไหมแค่นั้นเองเข้าใจเรื่องนี้จริงไหมนั้นสัญญาณแรกที่เราเข้าใจเรื่องชีวิตคือรักตัวเองในทางที่ถูก เมื่อก่อนรักตัวเองในะที่ถูกด้วยการเสพเยอะๆด้วยการสนุกเยอะๆใช่ไหมแต่ถ้ารักตัวเองในทางที่บิดสร้างความพอดีให้กับตัวเองสุขแต่พอดีทุกแต่พอดีแล้วก็ชีวิตมันก็จะดีขึ้น เ, เรื่อยๆเลยนะแล้วปัจจุบันนี้ก็มีตัวแทนสอนอย่างหลวงพ่อเนี่ยหลายรัฐละที่ชิคาโกหลายคนที่ลาสเวกัสก็ดานอเมริกาดานตะวันตกก็ตั้งแต่พวกทำด้านตะวันตกมันมี ทางเอลทางฮาวายทางเซนติโกทางยูทาแถวนี้ก็อาศัยยุ่มสมผ่อนไปถอยไปทวากางทางชิคาโกทางนั้นก็อาศัยกลุ่มนั้นหลายคนเขาตัดกลุ่มบ้านสิติมาขึ้นมาอพออาทิตย์หนึ่งเขาก็ไปรวมกันนําปฏิบัติรวมกันแต่ทีนี้ลามก็้าไปในมหลาลัยชิคาโกตอนนี้มหลาลัยอิลลินอยพอคราวที่แล้วที่ไปเขาได้แล้วมาจัดอบรมอยู่ที่แอรันตาประคุณอาจารย์ในมหลาลัยมาหลายคนพรากลุ่มบ้านสิติมาเนี่ย เขาไปเขาทํางานอยู่ในมหลาลัยก็ดึงเอาพวกคุบาลจาัดออกมาทำํำกลับไปเที่ยวนี้ดูเหมือนว่าเขาจะเอาไปเปิดอรมณ์ที่ในมหลาลัยอิลินอยเลยนะที่ทีกับกเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางฝรัง่งทางตะวันตกสนใจกันมากเพราะเป็นระบบวิทยาศาสตร์ทางนมามธรรมไม่ใช่เรื่องอะไรลึกลับซับซ้อนเลยไม่ใช่เรื่องปฏิหารเลยเลยแต่เป็นเรระบบวิทยาศาสตร์เป็นปฏิหารทางสติปัญญาไม่ใช่ปฏิหารทางริด เพราะนั้นพุทธิเจ้ากมีสองปิหารทั้งสองท่านใช่ไหมปฏิหารทางสติปัญญาก็คือท่านพระสาธุบุตรปฏิหารทางลิธิ์ได้แก่พระโมคคัลลานะาใช่ไหมก็เป็นสาวกซ้ายขวางของท่านได้เลยดังนั้นเองพวกเราทั้งหลายเมืม่อศึกษาเรื่องนี้แล้วเนี่ยไม่อยากจะให้ใช้ชีวิตแบบเดิมต่อไปหันมาศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังเราจะเปลี่ยนชีวิตได้ถ้าหลวงพ่อเราจะมาใช้ชีวิตแบบเดิม น, นี้เป็นฝุน่ น, นเป็นฝอยไปแล้วเป็นดูกเป็น เรียร่าดอยู่ป่าไหนแล้วก็ไม่รู้ป่าช้าไหนแล้วก็ไม่รู้แต่พอมาเจอระบบนี้มันสามารถเปลี่ยนชีวิตใหม่ได้เลยนะจากคนขี้โลกอ่อนแอหงุดหงิดโมโหฉุนเฉียวจับจดมีทุกอย่างอย่างอาจจะแย่กว่พวกเราอีกแต่ด้วยการศึกษาและทําความเข้าจใจนี้อย่างจริงจังมันก็อ a d a p t e ชีวิตขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งก็ได้ทําหน้าที่นี้มาโดยบังเอิญละคือมาบอกกันว่าเรื่องนี้มันดีอย่างเนี้นะบอกกันต่อไปเรื่อยๆ นะมันก็เลยมาทําคุยกันเรื่องนี้อันนี้เรียกว่าเวทนาพลิกหาสูตรให้พวกเราออไปทําในวันนี้นะก็เป็นอันว่าวันนี้เราใช้เวลามาพอสมควรแล้วก็ขอให้ไปทําความเข้าใจตั้งใจมีสุขเวทนาก็อย่าเสพมีทุกขเวทนาอย่าเสพแต่ปรับเปลี่ยนให้แก้ไขไปเรื่อยๆแล้วสุขทุกขเวทนานั้นมันจะกลายเป็นปัญญาที่เข้มแข็งสามารถพลิกเปลี่ยนชีวิตของเราได้ ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทีอ่ะลกลับพระลังกันไปรับประทาน